วัฏฐวัฏฐแปลว่าหมุนเวียนนับแต่ใตโลกธาตุสิ่งที่มีวิญญาณคลองสิงในไตโลกธาตุซึ่งอยู่ในข่ายของวัฏฐของความโลภความโกรธความหลงเป็นผู้ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฐวัฏฐแปลว่าหมุนเวียนเพราะยังไม่เบื่อเพราะยังไม่นาย ก็ยังไม่คลายกำหนัดจำเป็นต้องมีวิญญาณปฏิสนธิมีราคะ <c oughs> ความกำหนัดมีโทสะความหงุดหงิดหรือโหดเทียมมีโมหะความหลงต้องเที่ยวอยู่ในวัฏรสงสา ร, รต้องเที่ยวมา เป็นพ่อค้าแม่ค้ากระดูกหรือหนังเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปหลงก็หลงอันนี้ถ้าไม่หลงอันนี้ก็ไม่มาท่องเที่ยวในวัดตาสงสารอีก รู้ตามเป็นจริงก็ต้องรู้อันนี้เบื่อก็ต้องเบื่ออันนี้นายก็ต้องนายอันนี้ใครก็ต้องใครอันนี้ผลของความเกิดก็คือทุกผลของความแก่ก็คือทุกผลของความเก็บก็คือทุกผลของความตายก็คือทุกผลของการยิโยกพระธาตุก็คือทุก ชาติปิตุขาปิเปวเมเป็นทุกมไม่ใช่ทุกธรรมดามีมอทรแอไม่โทรด้วยเพราะเป็นทุกมากสมถะทุกอย่างเราจะพิจารณาร่างกายก็ถูก พอตัดสิน ล, ลงในที่นั้น <c oughs> เราจะพิจาราผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกว่าหวัวใจตับปังผือไตปอดไต ใ, ใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเกา่าแต่ละอย่างละอย่างก็ถูกแยกธาตุออกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก มามหัวใจตับทางผืดไตตอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเรียกว่าอาหารนอนท้องแยกออกเป็นธาตุดินเอากองไม้กองหนึ่งซะน้ำดีน้ำสลีนดน้ำดีเป็นฝัก อยู่ใต้ตับที่ไม่เป็นฝักซึมซาบทั่วทั้งสกลกายไม่ไว้แต่ผมขนและฟันและหนังอันเป็นของแข็งเสีย <c oughs> และกระดูกอันเป็นของแข็งเสีย <c oughs> น้ำเสลรั้งอยู่เป็นมกม่วกอยู่ที่คอหอย เวลาเราเวลาเรากลืนอาหารลงไปก็แหวกน้ำสลิดลงไปลงไปเป็นคาคเพอกลืนลงไปเป็นคำคำมันก็ปิดเป็นคำคๆแล้วก็แหวกลงไปอีกก็ปิดอีกถ้าไม่มีน้ำสลิดปิดแล้วนั่งอยู่ด้วยกันก็อยู่ไม่ไหวพะกินปฏิกูลทั้งหลายจะฟุ่งขึ้นมา น้ำดีทีนี้ติดอยู่ใต้ตับน้ำสลีดน้ำหนองอยู่ตามแผลน้ำเลือดเป็นเลือดสองชนิดเลือดที่ข้นตั้งพ่วมม้ามหัวใจตับปอดอยู่ไหลซึมซาบโดไปใน ม, ม้ามในหัวใจในตับในปอดทีละเล็กเลน้อย ส่วนที่ไม่เป็นก้อนที่นี่ซึมซาบอยู่ทั้งสกลและกายเหมือนน้ำครั่งจางๆไม่ไน้แต่พมขนเล็บฟันอันเป็นของเขียงขอ ง, ของแข็งเสียน้ำน้ำนองเลือดน้ำเงือ ออกจากคุ้มขนคุ้มผ ม, มในเวลาร้อนหรือในเวลาทำงานเหนื่อยจัดคล้ายกับน้ำมันงามีลักษณะเหม็นสาบเหม็นข้าวมันข้น น้ามันค้นทีนี่อยู่ที่ฝ่ามือหรือฝ่าเท้าหรือล้างมือล้างเท้าหรือจะงอยบ่าเปรียวไมันน้ามันในทอ้องน้ำลายที่เกิดน้ำลายอยู่ใต้ลิ้นไหลออกมากับพุ้งแก้มทั้งสองแล้วก็บ้วนออกพิ้ง เมื่อบ้วนออกทิ้งแล้วจะเอาคืนมาอมอีกก็ไม่ได้เพราะเป็นปฏิกูลโกปะกโซมม <c oughs> น้ำคล้ายข้ออยู่ตามข้อกระดูกน้ำมูกตั้งอยู่บนสมองสีสระไหลลงมาทางจมูก น้ำปัสสาวะอยู่กระเพาะปัสสาวะเกิดออกจากอาหารเก่าออกจากอาหารใหม่นี่แบ่งออกเป็นขาดน้ำแบ่งออกไปเป็นส่วนหนึ่งซักทีนี้เป็นสองส่วนอยู่คนละส่วนไฟที่ยังกายให้อุ่นธาตุไฟ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 ลมหายลมเลอลมอ้วกลมอ้วกกับลมอาเจียนก็อันเดียวกันลมพัดลงเบื้องต่ําหายลมถ่ายอุจจละถ่ายปัสสาวะก็ลมดันลงลงพัดลงเบื้องต่ําลมในท้องนอกไส้ลมในไส้ในลําไส้ลมพัดไปตามตัว ตามเช่นเอ็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่นี่ก็แบ่งออกไปเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นสี่ส่วนที่นี่ทยายาคิตราดก็นั่งอยู่ที่กลางที่วงเวียนสมมติว่าทางสีแพร่งแล้ว ที่สมมุติว่ามนุษย์หรือเราหรือเขาหรือสัตว์หรือบุคคลตามสมมุติที่ใช่กันในโลกก็เลยเบาลงทีนี้หามนุษย์ไม่เห็นใช่แล้วเพราะแยกออกจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมคนละเหงละเหง น, นี่เป็นวิปัสสนาธุระไม่ใช่สมถะ แต่ก็อาศัยสมถะนั่นเองเป็นบาทวิปัสนาวิปัสนาก็คือปัญญาพิจารณาแยกแยกธาตุออกตัวจิตใจตัวผู้รู้อยู่ที่ตรงกลางอยู่ในระหว่างศูนย์กลางทางสีแพ่งที่นี่นั่นก็ธาตุดินซะ นั่นก็ธาตุน้ำซะนั่นก็ธาตุไฟซะนั่นก็ธาตุลมซะทีนี้ตัวเราเขาสัตว์บุคคลไม่มีเสียแล้ทีนี้ผู้หญิงก็ไม่มีผู้ชายก็ไม่มีเสียแลวเป็นแต่สักว่าธาตุทีนี้ส่วนผู้รู้ตามเป็นจริงของดิน้าไฟลมก็เป็นแต่สักว่าผู้รู้เสียแล้วทีนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของทั้งผู้รู้ด้วย ทั้งดินด้วยทั้งน้ําด้วยทั้งไฟด้วยทั้งลมด้วยนี่ <Okay. S 1> อันนี้ก็เป็นอุบายภาวนาแบบหนึ่ง <Okay. S 1> ถ้าหากว่าไม่พิจารณาแบบนี้ที่ไหนชัดนราก็เพ่งที่นั้นที่นั่นที่ไหนปฏิกูลมากเราก็เพ่งที่นั้นเพ่งอันเดียวก็ถูกอันนี้ เมื่อเห็นอันใดอันหนึ่งเป็นปฏิกูลในสักุลในร่างกายแล้วสิ่งอื่นอื่นก็เป็นไปตามกันโดยเสมอภาคไม่ต้องสงสัยนั่นก็ผมนั่นก็ผมจิตก็จับอยู่ที่ผมนั่นก็ขนจิตก็จับจับอยู่ที่ขนนั่นก็เล็บจิตก็จับอยู่ที่เล็บนั่นก็ฟัน จิตก็จับอยู่ที่ฟันนั่นก็นหนังจิตก็จับอยู่ที่หนังหนังนอกเนื้อทั้งพืนนั่นเหนียวหนังกับเนื้อไว้ว่าเหนียวเนื้อกับกระดูกไว้ว่าเหนียวเนื้อกับเอ็นไว้บ้างค่ายๆกับใยแมลงมุม นั่นก็ผมนั่นก็ขนนั่นก็เล็บนั่นก็ฟันนั่นก็หนังนั่นก็เนื้อนั่นก็เอ็นนั่นก็กระดูกนั่นก็เยื่อในกระดูกเยื่อในกระดูกคล้ายๆกับยอดหวายที่เผาอ่อนๆใส่ในกระบอกไม้ไผ่ไว้ใส่ในกระบอกขาวๆไว้มาม มีคัวอันเดียวเหมือนมะม่วงสองผลติดอยู่ในคั้วอันเดียวอยู่้ายอกหัวใจอยู่ท่ามกลางอกเหมือนดอกบัวตูมพาหัวใจออกเป็นสองซีกก็มีน้ำอยู่ทองมือท่านี่ถ้าเวลาราคกคาจัดน้ำในหัวใจนี่ ก็ดำเข้าบ้างถ้าโทโทสะจัดน้ำก็น้ำเลี้ยงหัวใจนี่ก็ยิ่งดําเข้าจัดโมหะดองอยู่ในคันทะสันดานน้ำเลี้ยงหัวใจก็ไม่ใสเป็นขุนขนอยู่ไม่เหมือนน้าเลี้ยงหัวใจพระอรหันต์พระท่านไม่มีโรคไม่มีโกรธไม่มีหลงน้ำเลี้ยงหัวใจของมนุษย์เรา ที่ยังไม่ถึงพระอริยบุคคลชั้นสุดก็มีขุนบ้างมีสายบ้างเหตุนั่นคนที่โกรธมันจึงหน้าดำหน้าแดงเพราะน้าเรื่องหัวใจมันดำตับอยู่ข้างขวาหัวใจคล้ายๆกับลิ้นโคดดำเป็นแผ่นเนื้อสองแผ่น ถ้าผู้มีปัญญาก็ตับก็เป็นสองแฉกบ้างสามแฉกบ้างนั่นก็ผมนั่นก็ขนนั่นก็เล็บนั่นก็ฟันนั่นก็หนังนั่นก็เนื้อนั่นก็เอ็นนั่นก็กระดูกเอ็นคล้ายๆกับเถาวันที่เขาผูกมัดฟืนกระดูกคล้ายๆกับสัง มีลักษณะสีขาวๆส้ยใหญ่ข้างหนึ่งอยู่ทวารห น, นักข้างหนึ่งอยู่ที่คอหอยกายเหล่านี้แหละ มีทุกมากมีโทษมากที่พี่เจริญอย่างนี้เรียกว่าอาสุภาัญญาสิ่งที่ไม่สวยไม่งามเน้อให้จาไว้เน้อท่านบอกอย่างนั้นเรียกว่าสัญญาอาสุภาัญญามันจะไประงับราคะสัญญาทีนี้สัญญาต่อสัญญาจะระงับกันจะลบกันทีนี้ ทุกขสัญญาสกนร่างกายนี้เป็นของทุกข์มากมีทุกข์โทษมากเราอาพาธต่างต่างตั้งอยู่ในกายนี้โรคในตาโรคในหูโรคในจก้มโรคในลิ้นโรคในกายโรคดีเดือดโรคเบาหวานโรคลิกชีดวงลำไส้โรคในปากโรคในฟันโรคในลิ้น โรคในกระเพาะอาหารโรคในตับโรคในปอดนอกจากนั้นยังมีโรคต่างๆเกิดขึ้นอีกไข้พิษไข้เชื่อมไข้ไทฟอยและรากศาสไข้เปลี่ยนและดูสันพรโรคทั้งปวงมีตั้งร้อยแปดพันประการมันเกิดอยู่ที่นี่ มันก็ตายอยู่ที่นี่มันก็เกิดอยู่ที่นี่เป็นที่เกิดของมันป่าช้าของมันก็อยู่ที่นี่มันก็เกิดอยู่ที่นี่มันก็ตายอยู่ที่นี่กายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากเราเอาพาธต่างๆย่มตั้งอยู่ในกายนี้กายยนครพิจารณากายแยบคาย จะไม่หลงกายอีกจะได้ไม่มาก่อธาตุดินน้ำไฟลมอีกจะสลดสังเวชที่ตนได้เคยหลงว่าหลงหลงหลงม า, งงงมาที่หลงถือว่าสวยว่างามก็เพราะหนังหุ่นอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยความไม่สะอาดต่างๆอุปมาเหมือน หม้อหรือหีบที่ใส่ของโสโครกไว้อาบน้ำชำระร่างกายตลอดถึงร่างทวารหนักร่างทวารเบาถึงอย่างนั้นก็จึงพอประทังประทังพออยู่ได้ไปเป็นวันวัน อาหารที่กลืนลงไปในทอ่อที่นี่ก็ไปหมัก ม, ม้มอยู่กว่าไฟธาตุจะเผาก็ฟูดขึ้นมาเมื่อถูกเผาแล้วมาทางตาเขาเรียกว่าขี้ตามาทางหูก็เรียกว่าขี้หูหรือมูลหูมูลตาที่เรียกโดยสุภาพเรียกตามันหรอ ก, กว่าขี้ ทวานหนักก็ว่าอุจจระทวานเบาก็ว่าปัสสาวะออกตาคำคุ้มขนคุ้มผมเพราะถูกไฟธาตุเผากินเละสีเป็นยังไงที่นี่สิ่งแล้วนี่เป็นหน้าที่ชาวพุทธจะพิจารณาทั้งนั้นให้เห็นจริงเห็นจังกันจักเพียงไหน มั่นคงทาวรจริงหรือสวยงามจริงหรือหรือสกปกโสมมที่พระบรมศาสดาเทศว่าสกปกโสมมเป็นของจริงหรือไม่หรือเป็นของขี้เทศสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่เราจะพิจารณาเหมือนกันเนื้อกายนครผู้ใดประมาทกายคตาสติก็คือประมาทพระนิพพาน ผู้ใดพิจารณากายคตาสติบ่อยๆราคะของท่านผู้นั้นจะเบาลงหรือจนเหินแห้งหายไปเมื่อราคะเบาลงและเหินแห้งหายไปก็ถึงพระอนาคามีเมื่อถึงพระอนาคามีแล้วต่อแต่นั้นก็พระอรหันต์ก็อยู่ในอุ้งมือพระอนาคามีสิ้นกำหนับในสกลลกาย เห็นผู้หญิงผู้ชายก็เห็นเป็นธาตุไปเสมอกันทางนั้นเห็นเห็นแต่เพียงว่าธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นไม่ได้ต่อไปในความกำหนัดรักใคร่ยินดีสันพระสวดาบันยังอยู่แต่ไม่ถึงกับจะไปตกนรกเพราะไม่เป็นราคะที่ยาก เขาไม่สามารถจะล่วงประเวณีของสามีและภรรยาของตนได้เคารพที่สุดดีก็าสามีของตนไม่ดีก็าสามีของตนยินดีเท่านั้นดีกาภรรยาของตนไม่ดีกาภรรยาของตนยินดีเท่านั้นไม่สามารถจะประหลงละเมิดตามีสมิจจัจาร์พระโสดา์วันเหตุเชนนั้นท่านจึงบิณฑบายภูมิถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ อย่างแน่นสนิทไม่มีสงสัยถือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีอยู่ทุกเมื่อไม่สูญหายไปไหนไม่ล่วงเวลาไปไหนพุทธศาสานาจะล่วงจากไปสักเพียงไหนก็าตามถือว่าคำสอนของพระบรมศ า, ศาสด า, ายังดีเด่นอยู่เสมอเสมอเชื่อมั่คผลวินิพพานมีอยู่ทุกการอะกาลิกโกภูมิของพระโสดาวันเป็นอย่างนั้น ถ้าถึงพระโสดาบันแล้วทัศกตาคามีพระอน า, าคามีพระระหันต์ก็อยู่ในอุ้งมืออุ้งมือของกิตของใจเป็นสุปฏิปันโนโดยแท้ต้นของพระพุทธศาสนาก็คือพระโสดาบันสุปฏิปันโนต่ำกว่านั้นลงมาองค์ท่านยังไม่นับ พูดถึงไตรสรณ า, าคมไตรสรณะคมแท้ก็คือพระโสดาบันอัญญัตว์ตุเทศไม่ยอมถือศาสดาอื่นเชื่อคำสอนของพระบรมศาสด า, ศ า, ศาอย่างไม่จืดไม่จางจิบเวลาไหนก็เข็มเหมือนเกลือไม่ถือว่าจืดจางพอไหนและเคารบอยู่ทุกเมื่อด้วย ถือว่ามีอยู่ทุกการด้วยถือว่าพระพุทธพระธรรมประสงค์มีอยู่ทุกการด้วยเชื่อกรรมและผลของกรรมด้วยเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทีน่นี้ถ้าเราชอบจะพิจารณากายเราก็ต้องพิจารณาอย่างนั้นจะรวมหรือไม่รวมกว็าตาม ไม่ต้อง ต, ตีตนตายก่อนไข้แต่พื้นเท่าขึ้นมาหาปลายผมแต่ปลายผมลงไปหาพื้นเท่ารู้ชัดที่ไหนก็เพ่งอยู่ที่นั้น mm hmm. ถ้าเห็นสกปรกในร่างกายเป็นของสกปรกโซมมเปื่อยเน่าอากูลอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเลยราคะ มันจะรวมพลมาจากประตูไหนมันก็มาไม่ได้<ม>เห็นเสมอภาคกันหมดเหมือนหน้ากลองทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคตด้วยทั้งไตโลกธาตุด้วย<ม>จะมีหมื่นมีแสนก็เห็นเสมอภาคกันทั้งเพศชายเพศหญิงเชียด้วยกระดูกมีประมาณสามรอยท่อนสมมติลอกหนังออก แล้วมองดูรอกคว้างทิ้งที่คว้างทิ้งเลยไม่ต้องสอดเนีมดูดอกที่เหลืออยู่มองดูสีนี่จะเป็นสียังไงตัดแข่งตัดขาออกสมมติดึงไส้ออกมาสมมติขายายออกมาสมมติเอามีดเอาล้า เมกนี่ฉีกออกเหมือนที่เขาเชิญเป็ดเชิญไก่นั่นจะเป็นลักษณะยังไงทีนี้ทำไมจึงมากำหนัดรักไข้ในกายนี่เป็นนักหนาทีนี้เราก็ถามเราแล้วก็ขู่เราอีกทีนี้นี่ก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์สอนอย่างนี้เหตุฉะนั้นพิกสุบวดใหม่ จึงบอกว่าเกษารมาละขาทันตาตะโจตะโจดันตานะขาโมาเออเอาละพอแล้วเพราะเวลาน้อยไหวนะหรือไม่ฉะนั้นจะภาวนาพุทโธก็แล้วแต่ผู้ที่าาราคะฉนิดก็ต้องภาวนากายขตตาสติผู้ที่มีศรัทธาฉนิดก็ต้องภาวนาพุทโธ ผู้โมหะจนิดก็ต้องภาวนาลมหายใจเข้าออกฉะนั้นจึงจะสังเกตตนได้ก็มีเครื่องทดสอบเหมือนกันจิตใจของเรามันแสดงปาฏิหารอะไรออกก่อนถ้ามันชอบแสดงปาฏิหารในราคะออกก่อนแล้วก็ต้องพิจารณากายคตาสติให้มากมาเห็นจกปกโฉมมุมที่ไหนมันจกปกโคมมุมเราก็เพ่งดู สมมุติเผาสมมุติเฉือนสาลพัดนุ่งจักที่อยู่นุ่จักกลิ่นนุจักสีนุจักลักษณะที่อยู่ที่ตั้งของร่างกายด้วยกระดูกเป็นลักษณะยังไงถ้าหากว่า นังเปื่อยออกหมดแล้วจะเป็นลักษณะยังไงก็สมมติออกหมด ผ, ผู้มีราคะเป็นหัวหน้าผู้ชอบโกรธที่นี่อะไรงุนเย็ดง่ายๆอะไรงนย็ดง่ายๆก็เจริญเมตตาเอาตอนเป็นพยานก่อนหังสกิตโตโฮนิเราก็ไม่ชอบทุกเราชอบสุข เราไม่ชอบมีเวนมีไัยกับใครอเวโลโหมิมีใครมาดา่ามาสาบมาแช่งล้วก็ไม่ชอบเอาตอนเป็นพยานก่อนบุคคลอื่นชาติอื่นก็เหมือนกันแล้วก็แผ่ไปทั่วทิศทั้งสี่ผู้เกิดในคันในไข่ในเท่าในไข่ในเกิดพุดขึ้นเพราะเป็นมิตรเป็นสหา ย, า, ายอยู่ทุกเมื่อจงปาฏิจารเว็นไยอยู่ทุกเมื่อ น่าลึกได้ไหมนึกได้ก็ดีกุศลพ้นบุญที่สร้างมาแล้วในพก่อนชาติก่อนก็ดีตลอดปัจจุบันก็ดีจะเป็นไปในอนาคตก็ดีจะอุทิศให้แก่ปวงโลกทั้งสิ้นที่มีวิญญาณครองสิงทุกท่านหน้าอยู่โดยทุกเมื่อจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงอยู่ทุกเมื่อเถิดจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงอยู่ทุกเมื่อเถิดทุกทนหน้าจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงอยู่ทุกเมื่อเถิดต้องบริกรรมอยู่ไม่มีประงวันกลางคืนเลยนี่ที่นี้โทรสะก็ไม่มี โทสะก็ระงับลงเมื่อโทสะระงับลงกามวิตตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกก็ระงับลงเหมือนกันนี่ในสมถะนี่ที่ผู้กำหนดลมหายใจเข้าออกท่านนี้ลมหายใจเข้าออกเป็นกายยัคตาสติหรือไม่ลม